ผมมาจากชววยมะให้เอามาปล่อยเพราะมันกัดแผะเจ้าหมาพวกนี้เราไม่ได้เลี้ยงมันมันมาเองมะเลยเอามาปล่อย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 มะว่าเจ้าของวัดนี้ใจดีมันจะได้มีความสุขกว่าอยู่ที่อื่นถึงมะจะเกลียดพวกมันแต่ก็ไม่อยากเห็นมันถูกหลังแก่ครับอ๋ออย่างนั้นหรอกหรืองั้นกลับไปบอกมะเธอด้วยว่าหลวงพ่อวัดนี้สั่งให้เอามาปล่อยอีกหลายๆคันรถรับรองว่าอยู่วัดนี้แล้วปลอดภยัยท่านตั้งใจประชดแต่ชายหนุ่มไม่รู้จึงตอบไปว่าครับ และผมจะบอกมาตามนี้พูดจบก็ออกรถอย่างรวดเร็วไม่ได้ล่ำลาท่านพระครูมองตามรถพลางสายหน้าช้าๆวัดนี้ไม่รู้เป็นอะไรแมวมาหาหมามาสู่ไม่ได้ขาดเมื่อวันก่อนก็มีคนเอาแมวใส่กระสอบซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์มาปล่อยจนวัดแทบจะ ก, กลายเป็นที่อยู่ของสัตว์สาราสิงไปแล้ว นายสมชายซึ่งหิวเป็นโตเดินมาทันท่านที่ลานวัดก็พูดขึ้นว่าเขาเอาหมามาปล่อยอีกแล้วแลครับหลวงพ่อทำไมถึงต้องมาปล่อยที่วัดนี้ก็ไม่รู้วัดอื่นไม่ถมเถไปไม่ปล่อยเด็กหนมตาหนิไกลๆเขาว่ามันจะได้ไม่ถูกรังแกท่านพระครูอ้างเขาว่าไม่ถูกยังไงได้ยายบุญรับตีมันทุกวัน คงนี้หนวกหูจะแย่อยู่แล้วเมื่อไหรใ ย, ยนี่จะไปไปสัถทีก็ไม่รู้เข้าบนถึงกุฏิท่านลักครูวางบาทลงแล้วก็จึงเข้าไปล้างมือล้างเท้าจนสะอาดหมดจดเช็ดให้แห้งก่อนลงมือฉันอาหารที่ลูกศิษย์วัดจัดสำหรับไวรอท่าฉันเสร็จจึงเข้าไปล้างปากแปลงฟันซึ่งหมายความว่าสิ้นสุดการบริโภคสาหรับวันนี้จากนั้น จึงมานั่งอย่างอัศนะประจำของท่านรู้ว่าพระโบเฮียวจะต้องมาให้สอบอารมณ์หลวงพ่อครับผมแย่แล้วลูกศิษย์รายงานทันทีที่มาถึงและกราบอาจารย์แล้วทั้งที่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับศิษย์หากท่านพระครูก็ต้องถามไปตามมารยาทว่าแย่ยังไงไหนว่าไปซิผมเกรยียบยาบุญรับจนปฏิบัติไม่ได้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 ในเมตตาเจโตวิมุตตดังที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าภิกษุทั้งหลายเจโตวิมุตตมีอยู่การทำให้มากซึ่งโยนิโสมานสิการในเจโตวิมุตต้น น, นี้ไม่เป็นอาหารให้พยาบาทที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นหรือที่เกิดแล้วให้เจริญภัยบูญยิ่งขึ้นวิธีปฏิบัติก็เช่นการกาหนดนิมิตในเมตตาเป็นอารมณ์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 ตัวเราเป็นผู้รักสุขเกลียดทุกข์อยากอยู่ไม่อยากตายฉันใดคนอื่นหรือสัตว์อื่นก็ฉันนั้นแต่ถ้าเราอยากตายไม่อยากอยู่ล้วครับประยวนเริ่มจวนท่านพระครู ต, รต้องปรามว่าขอทีขอทีอย่าชักใบให้เรือเสียเธอละก็ชอบนอกลู่นอกทางเสี้เรื่อยครับครับไม่ออกก็ได้ครับนี่มลหลวงพ่อเทศต่อ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 ของเขามากฉันนั้นเพราะฉะนั้นผู้รักตนจึงไม่ควรจะเบียดเบียนผู้อื่นนี่แหละถึงต้องให้เมตตาในตนเองก่อนไหนเธอแผ่เมตตาให้ตัวเองเป็นหรือเปล่าลองว่าให้ฟังสักหน่อยซิหลวงพ่อจะเอาแบบบาลีหรือแบบไทยล่ะครับเอาทั้งสองแบบนั่นแหละงั้นก็เอาแบบบาลีก่อนแล้วตามด้วยไทยนะครับพระหนมกระแอมแก้เขิน และจึงท่องด้วยเสียงค่อนข้างดังว่าอาหังสุขิโตโหโมินิทุโขโหโมิอเวโรหโหมิอพยาปัจโชโหโมิอนิโคโหโมิสุขีอัตนางประริหรามิขอข้าพเจ้าจงถึงซึ่งความสุขเถิดขอข้าพเจ้าจงอย่ามีเวรมีภัยเลยขอข้าพเจ้าอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย ขอข้าพเจ้าอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยขอข้าพเจ้าจงเป็นผู้มีความสุขรักษาตนอยู่เถิดดีมากยัง แ, แม่นดีเอาละเมื่อแผ่เมตตาให้ตนเองเป็นอันดับแรกแล้วจากนั้นจึงแผ่ไปให้ผู้อื่นตั้งแต่บุคคลที่รักมากบุคคลกลางกลางคือไม่รักไม่จังไปจนถึงบุคคลที่เป็นศัตรู แต่ถ้าแผ่เมตตาให้สัตรูแล้วเกิดโทสะขึ้นก็ให้ปฏิบัติตามวิธีระ ง, งับความโกรธที่พระพุทธองค์ตรัสสอนไว้ซึ่งมีถึงเก้าวิธีแต่ถ้าใช้ทั้งก้าวิธีแล้วยังไม่หายโกรธล่ะครับก็แสดงว่าคนคนนั้นกิเลสหนาตันหามากจนไม่อาจรับฟังคำสอนได้ก็ตัดหางปล่อยวัดไปถือว่าเป็นพวกบัวติดโคลนตมที่เรียกว่า พะทะประมะแล้วคนที่ไม่มีหางจะให้ตัดจะทำอย่างไรดีครับอย่างผมเนี่ยตอนเกิดแม่ก็ไม่ได้ให้หางมาด้วยพระยวนอดยวนไม่ได้บวเหียวรู้สึกว่าเธอถนัดทะเลทะไล่ใะจริงโฉนะฉันจะวาดเธออย่างไรดีถึงจะเจ็บแสบจะได้จดจำสักทีท่านพระครูว่าให้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 ฉันจะขึ้นไปเขียหนังสือแล้วนะจะไม่บอกหรอกว่าวิธีระ ง, งับโกรธที่พระพุทธองค์ทรงสอนไว้มีอะไรบ้างจะปล่อยให้เธอเกลีบยบยาบุญรับให้เธอถูกไฟโทสะแผดเผาให้ไหมเกรียมกรอบเป็นประย่างไปเลยท่านต่อว่าต่อขานยืดยาวแต่คนเป็นสิทธ์ก็รู้ว่าอาจารย์ไม่ได้โกรธเพราะหน้าตาไม่ได้บึ้งเสียงที่พูดก็ไม่เกลียดกราดอย่างเสียงย บ, บุญรับแม้หลวงพ่อก็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 เราก็ได้ชื่อว่าเป็นคนเลวซะยิ่งกว่าคนที่โกรธก่อนนั่นอีกผู้ไม่โกรธตอบคนที่โกรธตนก่อนผู้นั้นได้ชื่อว่าชนะสงครามที่ชนะยากฉะนั้นถ้าเธอโกรธตอบอยายบุญรับก็แปลว่าเธอเลวกว่ายายบุญรับซะอีกถ้าลองวิธีนี้แล้วยังไม่ได้รับผลก็ให้ใช้วิธีที่สองคือให้ระลึกถึงความดีของเขาธรรมดาคนเหล่านั้นว่าโดยทั่วๆไป แต่ละคนแต่ละคนจะต้องมีทั้งส่วนดีและส่วนไม่ดีอยู่ในตัวเราก็คิดถึงแต่ในส่วนดีของเขาส่วนที่ไม่ดีอย่าไปคิดถ้าหาส่วนดีของเขาไม่ได้จริงๆก็ให้นึกสงสารเขาคิดเสว่าโทษน่าสงสารต่อไปคนคนนี้จะต้องประสบผลร้ายต่างๆเพราะความประพฤติไม่ดีอย่างนี้นรกอาจจะรอเขาอยู่เมื่อคิดได้อย่างนี้ก็จะระงับความโกรธใช้ได้ แต่ถ้ายังไม่ได้ก็ให้ลองหาวิธีที่สามคือให้คิดถึงความจริงที่ว่าการโกรธคือการทำให้ตัวเองทุกข์คนที่โกรธแล้วเป็นสุขนั้นไม่มีในโลกเมื่อเราคิดได้อย่างนี้เราจะต้องไม่โกรธเพราะเรื่องอะไรจะไปทําให้ตัวเองเป็นทุกข์จริงไหมจริงครับแล้วถ้ายังไม่หายโกรธจะทําอย่างไรอีกครับก็ใช้วิธีที่สี่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 จะทำให้บรรลุความหลุดพ้นก็หาไม่จะช่วยให้ได้ที่พยจสมบัติหรือมนุษ์สมบัติก็หาไม่มีแต่จะทำให้ตัวเองตกต่ำลงไปจนถึงตกมรกหมกไม้เมื่อพิจารณาอย่างนี้แล้วก็ไม่ควรให้ความโกรธเกิดขึ้นในตัวเราแต่ถ้ายังไม่หายโกรธอีกก็ให้ลองวิธีที่ห้าคือให้พิจารณาพระจริวัดในปางก่อนของพระศาสดาว่า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 ขนาดพยายามปรงพระชนก็ไม่ทรงมีจิตคิดประทุษร้ายซึ่งเรื่องราวต่างๆเหลา่านี้มีปรากฏในชาดกเช่นเรื่องมหาสีละ ว, วชาดกมหากปิดชาดกเป็นต้นถ้าสามารถไปอ่านเองได้หัดอ่านเสบ้างจะได้หูกว้างตากว้างขึ้นไม่ใช่ดีแต่ปากกว้างเอาแต่กินอย่างเดียวท่านแกล้งเน็บแนม เดือรู้ว่าคนเป็นสิบติดในรถครับและผมจะไปหาอ่านต่อวิธีที่หกเถอะครับรบักบัวเฮียวไม่ต่อกลอนเพราะว่ากลัวจะเข้าเนื้อมากขึ้น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 มนุษย์ทุกคนที่เกิดมาในโลกนี้จะต้องเคยเกี่ยวข้องกันมาในอดีตชาติมิชาติใดาชาติหนึ่งอย่างยายบุญรับก็อาจจะเคยเป็นแม่หรือเป็นพี่สาวหรือน้องสาวเธอในอดีตชาติชาตินี้จึงได้มาเจอกันอีกเพราะฉะนั้นเธอจึงไม่ควรใจร้ายต่อเขาแต่ถ้าเขาใจร้ายต่อผมล้วครับอันนั้นมันเรื่องของเขาถ้าตัวเราไม่ผูกเวรเวรมันก็ระงับลงได้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 ขึ้นตบมือตบไม้ประเดี๋ยวศีนก็เปื่อยหมดเท่านั้นคนยวนยวนตอบเอาละเอาละพอแล้วพูดเลอะเรือนล่ามป้ามไปมันก็จะไม่ดีทีนี้ก็มาว่ากันถึงวิธีที่เจ็ดคือพิจารณาอนิสง์ของเมตตาความโกรธมีโทษก่อผลร้ายมากมายชั้นใดเมตตาก็มีคุณก่อให้เกิดผลดีชั้นนั้น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 หลับเป็นสุขตื่นเป็นสุขไม่ฝันร้ายเป็นที่รักของมนุษย์ทั้งหลายเป็นที่รักของอมนุษย์ทั้งหลายเทวดารักษาไฟพิษหรือสัตว์ราไม่กล่อมกลายจิตเป็นสมาธิเร็วผิวหน้าผ่องใสไม่หลงตายและประการสุดท้ายคือเมื่อ ย, ยังไม่บรรลุธรรมเบื้องสูงก็จะได้ไปเกิดในพรหมโลกเป็นอย่างตำ่ำและก็ยังไม่หายโกรธล้วครับ ให้รองวิธีที่แปดคือพิจารณาโดยวิธีแยกธาตุวิธีนี้เป็นการพิจารณาระดับปารามัดเข้าใจยากฉันก็ยังไม่อธิบายให้เธอฟังในตอนนี้ให้เธอปฏิบัติไปให้ได้สูงพอสมควรใช้ก่อนแล้วค่อยมาว่ากันใหม่ตอนนี้พูดไปเธอก็ไม่เข้าใจเอาละฉันจะรวบรัดไปถึงวิธีสุดท้ายเลยคือพิจารณาทำทานสั่งวิภากษ์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 เป็นเมตตากรุณาที่แสดงออกในการกระทาพระพุทธองค์ทรงกล่าวถึงอนุภาพยิ่งใหญ่ของทานคือการให้นั้นว่าการให้เป็นเครื่องฝึกคนที่ยังฝึกไม่ได้การให้ยังสิ่งประสงค์ทั้งปวงให้สําเร็จผู้ให้ก็เบิกบานขึ้นมาด้วยการให้ฝ่ายผู้รับก็น้อมลงมาพบด้วยปิยาวาจานี่แหละ การระงับความโกรธวิธีสุดท้ายเธอเห็นแล้วใช่ไหมว่าสเสด็จพ่อของพวกเราท่านทรงสอนไว้ละเอียดละออลึกซึ้งยิ่งนักเธออยากจะฟังเรื่องของพระษาโกรุปหนึ่งที่ไม่เคยผูกโกรธต่อผู้ใดเลยอยากฟังไหมล่ะฉันจะเล่าท่านถามคนฟัง พ่ออยากเล่าหรือเปล่าละครับถ้าอยากเล่าผมก็อยากฟังคนฟังมานานเริ่มยั่วถ้าฉันไม่อยากเล่าละ่ะเธอจะว่ายังไงคนเล่ายั่วตอบถึงหลวงพ่อไม่อยากเล่าแต่ผมก็อยากฟังเพราะฉะนั้นหลวงพ่อเล่าเถอะครับนิมนต์พูดพร้อมกับประนมมือขึ้นนิมนต์คนเล่าเจงเล่าแต่โดยดีเรื่องมีว่า สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่เชตวนารามพระสาวกชื่อปุณณะได้เข้าไปเฝ้ากราบทูลขอให้ประธานโอวาทพระศาสดาจึงทรงแสดงธรรมสอนไม่ให้เพลิดเพลินยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสพอดทัพทพระและธรรมที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าชอบใจเมื่อดับความเพลิดเพลินได้ทุก็ดับพระปุณณะกราบทูลว่า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 แกโกรธว่ามันไปขี้เรี้ยราดสกปรกก็เลยไปด่ามันตีมันหมาแมวมันก็มีจิตใจไปทําอย่างนั้นมันก็โกรธเลยแกล้งขี้และเทอะใหญ่ขี้ตัวเดียวไม่พอมันยังเที่ยวไปชวนเพื่อนมันมาขี้ถ้าใหญ่บุญรับแต่เมตตาให้มันมันก็จะเลิกและก็บอกให้เพื่อนมันเลิกอีกด้วยมันเลิกขี้มันก็ตายใช่ครับหลวงพ่อ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 แต่ไม่ยากกระับริงดีๆฉันจัดแกไว้ในพวกทวนกระแสบางคนก็สอนยากนะโบเฮียวคนที่มาวัดนี้ไม่ได้แปลว่าจะสอนง่ายเสทุกคนมันเป็นไปตามกรรมที่เขาทามานะครับพระโบเฮียวว่าทั้งทำมาทั้งทำไปนั่นแหละถึงกรรมที่ทำมาจะดีแต่กรรมที่กระทำต่อไปก็สามารถแก้ไขให้มันดีได้ แต่เขาก็ไม่ยอมแก้ไขคนประเภทนี้นักวันจะมีมากขึ้นต้องปล่อยไปตามเวรตามกรรมของเขาใช่ไหมครับก็คงต้องเป็นอย่างนั้นเอาละถึงเวลาที่เธอต้องกลับไปปฏิบัติแล้วฉันเองก็จะขึ้นไปเขียนหนังสือเหมือนกันอย่าลืมแผ่เมตตาให้ยาบุญรับละ่ะท่านเตือนไม่ลืมครับฟังหลวงพ่อพูดผมก็หายโกรธแกไปตั้งครึ่งแล้ว ผมรับรองว่าจะต้องกำจัดพยาบาทนิวรณ์ออกไปจากจิตให้ได้ขอกราบขอพระคุณหลวงพ่อเป็นอย่างสูงที่ได้ชี้ทางสว่างให้ผมไปละครับพระน่มก้มลงกราบพระอุปชาสามครั้งแล้วก็ลุกออกมา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 คอยจดจำว่าใครมาก่อนมาหลังจะได้ไม่มีการลัดคิวกันแขกบางคนก็นั่งตากน้ำค้างรอคิวตั้งแต่กุฏิยังไม่เปิดต้องทนยุงทนหนาวเพราะอยากเข้าพบท่านก่อนข้างฝ่ายในสมชายก็เป็นคนยุติธรรมไม่มีใครเหมือนเพราะไม่ยอมรับสินบาทค่าสินบนใดๆใครมาก่อนก็จัดให้เข้าพบก่อนท่านพระครูกำชับนักกำชับนา ว่าให้จัดลำดับอย่างเที่ยงธรรมไม่ว่าใครจะใหญ่โตมาจากไหนยากดีมีจนอย่างไรก็ต้องเรียงตามลำดับก่อนหลังทั้งสิ้นทั้งพระครูขอตัวไปลงอุโบสถเพื่อทำสังฆกรรมร่วมกับภิกษุรูปอื่นๆซึ่งจะเกินเวลาประมาณสองชั่วโมงและช่วงเวลานี้ท่านก็จะนำพระเนนปฏิบัติกรรมฐานแล้วก็แผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลให้เปรตชน หรือว่าเที่ยวเรียกตามภาษาชาวบ้านว่าพวกผีบรรดาผีเหล่านี้บ้างก็ท่องเที่ยวอยู่แถววัดคอยรับส่วนบุญกุศลจากผู้อุทิศมาให้บ้างก็มาจากที่ไกลโดยคำบอกเล่าของบรรดาเพื่อนผีด้วยกันท่านพระครูเคยเล่าให้พระบุญเหียวฟังว่าพวกผีเหล่านี้ก็เหมือนคนเวลาไปรับประทานอาหารตามที่ต่างๆร้านไหนอร่อยก็จะบอกเพื่อนฝูงญาติมิตร ให้ไปลองรับประทานบ้างผีก็เช่นกันเมื่อพวกเขารู้ว่าที่วัดแห่งนี้มีคนมาทำบุญและมีพระปฏิบัติกรรมฐานแล้วอุทิศส่วนกุศลไปให้ก็จะพากันมาคอยรับพร้อมทั้งบอกต่อๆอย่างเพื่อนผีญาติผีของตน การที่พวกผีเหล่านี้ต้องมาเร่ร่อนขอส่วนบุญจากมนุษย์ก็เพราะพวกเขาไม่เชื่อเรื่องบาปบุญคุณโทษในสมัยที่ยังมีชีวิตก็ไม่เคยทำบุญทําทานเมื่อตายลงก็ต้องมาเป็นเปรตคอยรับส่วนบุญจากผู้อื่นวันไหนไม่มีผู้อุทิศมาให้ก็ต้องทุกทรมานเพราะความหิวโหวยแต่เปรตชนเหล่านี้ก็ยังดีกว่าพวกสัตว์นรกเพราะพวกหลังนี้นอกจากจะอดอยากหิวโหวยแล้ว ยังถูกลงโทษทันด้วยวิธีต่างๆตามกรรมที่เขาได้ทำมาอีกด้วยเสร็จจากปรดผีจเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงก็เดินกลับมายังกุฏิเพื่อปรดคนพระบุยเหียวเดินตามมาสังเกตการทุกครั้งด้วยเป็นความประสงค์ของท่านพระครูที่ต้องการให้พระหมายได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงเมื่อนั่งที่อาสนะประจาของท่านแล้วม่สมชายจึงบอก ชายวัยหกสิบเดครานเข้าไปใกล้ๆเพื่อจะได้ไม่พูดข้ามศรีรษะผู้อื่นบุรุษนั้นครานเข้าไปในระยะอัถบาตกราบสามครั้งแล้วนิ่งอยู่มีเรื่องอะไรว่าไปเลยโยมท่านกราวอนุญาตครับหลวงพ่อผมมานั่งรอตั้งแต่ตีสองนั่งนอกกุฏิผมชื่อบุญช่วยครับเขารายงานเหมือนจะประกาศว่า ไม่ได้แซงคิวใครงั้นหรือเอาละ่ะจะให้อัตมาช่วยอะไรก็ว่ามาหากเป็นเรื่องที่ไม่ใช่ความลับท่านจะพูดด้วยเสียงปกติยกเว้นเรื่องที่เจ้าตัวไม่ต้องการให้ผู้อื่นร่วงรู้ท่านก็จะพูดเสียงเบาให้ได้ยินกันเพียงสองคนคือแม่ผมนะสิครับหลวงพ่อแม่โยมเป็นอะไรท่านถามเมื่อบุรุษนั้นไม่ยอมพูดต่อเป็นผู้หญิงครับ แล้วก็เป็นเมียพ่อรุดผู้มีนามว่าบุญช่วยตอบซื่อๆแต่ทุกคนที่นั่งฟังอยู่ก็พากันคิดว่าเขาแกล้งพูดทวงเวลาคนอื่นอ๋อที่มานั่งรอตั้งแต่ตีสองก็เพื่อจะมาบอกแค่นี้เองหรือมีอีกครับหลวงพ่ อ, อยังมีอีกนายบุญช่วยรีบบอกเพราะกลัวถูกตัดคิวคือแม่ผมแกกลัวตายครับหลวงพ่ออายุเท่าไรล่ะ ผมเหะครับหกสิบห้าครับไม่ใช่อัตมาหมายถึงแม่โยมต่างหากแม่แปดสิบห้าครับหลวงพ่อช่วยแกหน่อยเถอะครับแกไม่อยากตายรบเร้าให้มาขอคาถาหลวงพ่อแกว่าหลวงพ่อมีคาถากันตายลูกยอดกระตันอยู่รายงานอ๋อเรื่องแค่นี้เองนึกว่ามาเรื่องอะไรไม่ยากหรอกโยมเรื่องง่ายๆเดี๋ยวอาตมาจะบอกคาถาให้ ผู้ที่นั่งนั้นที่นั้นปลอยตื่นเต้นไปด้วยต่างก็พากันเงียหูฟังอย่างตั้งอกตั้งใจกลับไปบอกแม่นะโยมนะคาถากันตายมีอยู่สองข้อคือหนึ่งหายใจเข้าไว้ข้อสองกินข้าวเข้าไว้ปฏิบัติได้สองข้อนี้รับรองว่าไม่ตายที่เขาตายตายกันเพราะไม่ยอมหายใจไม่ยอมกินข้าวคําตอบของท่านพระครูทําให้คนอื่นๆหัวเราะ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 คนที่กลัวตายอาตมาเห็นตายทุกรายถ้าไม่กลัวตายแล้วไม่ตายใช่ไหมครับหลวงพ่อสตรีผู้หนึ่งเอ่ยถามกลัวหรือไม่กลัวมันก็ต้องตายทุกคนนั่นแหละแต่เท่าที่อาตมาสังเกตดูคนที่กลัวตายมักตายเร็วคนไม่กลัวตายตายช้าฉะนั้นจงอย่า ก, กลัวตายแต่จงมีสติรู้เท่าทันชีวิตว่ามันไม่เที่ยง มีเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปตามเหตุปัจจัยเมื่อเรามีสติรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาเราก็จะทำดีพูดดีคิดดีทำได้อย่างนี้เราก็ไม่กลัวตายเพราะรู้ว่าจะไม่ไปทุกขติคนที่เขากลัวตายก็เพราะกลัวไปไม่ดีเช่นไปนเกิดเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นต้นโยมพอเข้าใจที่อาตมาพูดไหมเข้าใจครับ ในบุญช่วยตอบเข้าใจว่ายังไงไหนลองบอกมาสิว่าจะไปบอกแม่ว่ายังไงท่านถือโอกาสซักซ้อมความเข้าใจเพราะมีหลายคนที่อยู่ในประเภทฟังไม่ได้สับจับเอาไปกระเดียดท่านพูดอย่างหนึง่งเขาเอาไปพูดอีกอย่างแล้วอ้างว่าท่านพูดทําให้เข้าใจผิดพลาดคลาดเคลื่อนกันไปโยกใหญ่เหตุนี้ท่านจึงต้องตรวจสอบเพื่อความถูกต้องชัดเจน เข้าใจว่าให้หายใจเข้าไว้กับกินข้าวเข้าไว้แล้วจะไม่ตายส่วนเคล็ดลับก็คือต้องไม่กลัวตายถ้ากลัวแล้วจะตายไม่กลัวไม่ตายหลวงพ่อให้ผมไปบอกแม่อย่างนี้ครับบุรุษสงไวตอบตามระดับสติปัญญาของตนเครื่องรับในตัวเขารับได้เท่านี้อ๋ออาตมาพูด่าอย่างนั้นหรือโยมแน่ใจนะ แม่ใจครับเขายืนยังนงั้นก็ให้พระบูเหียวเป็นพยานก็แล้วกันพระบูเหียวผมพูดอย่างที่โยมคนนี้บอกหรือเปล่าต่อหน้าคนอื่นที่ไม่คุ้นกันท่านจะเรียกพระบวชใหม่ว่าพระบูเหียวและแทนตัวท่านว่าผมไม่ใช่ครับหลวงพ่อพูดว่าอย่างนี้พระบูเหียวอธิบายจนบุรุษนั้นเข้าใจถูกต้องเป็นอันดี ท่านพระครูจึงอนุญาตให้เขากลับไปได้ต่อจากนั้นก็เป็นรอบของสตรีวัยห้าสิบหลวงพ่อจ้าฉันอยากตายเป็นประโยคแรกที่นางอื่นเอ่ยอยากตายหรืองั้นก็ตามโยมผู้ชายเมื่อกี้ไปสิตามไปทำไมจ้ะถามงงงงอ้าวก็จะได้ไปหาแม่เขาน่ะสิไปแลกกันจ้าจะได้หมดเรื่องเมื่อแม่เขาไม่อยากตาย ส่วนโยมอยากตายก็ควรจะแลกกันเสีย้ยจะได้สมใจด้วยกันทั้งสองฝ่ายไงละ่ะแม่หลวงพ่อถ้ามันทําอย่างนั้นได้ก็ดีนะสินางว่าก็ทําไมจะไม่ดีละ่ะอาตมาทั้งได้แนะนําหลวงพ่อจเจริญไม่เคยแนะนําในสิ่งที่ไม่ดีท่านใช้มุกตลกเพื่อให้บรรดาผู้แบกทุกข์ทั้งหลายได้ผ่อนคลายแต่ชั้นอยากตายโดยไม่ต้องแลกเปลี่ยนกับใคร หญิงนั้นยืนกรานอยากตายแน่หรือคราวนี้ท่านถามจริงจังจะ้ะตอบเสียงอ่อยนั่นก็เชิญตายได้ตามสบายวัดนี้มีพร้อมทั้งเมนเผาศพทั้งพระสวดมัติกาฐานไม่มีก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวให้สมชายไปสั่งซื้อที่ตลาดก็ได้ว่าแต่โยมจะเอาลงแบบไหนเอาไม้ช้ำฉาหรือไม้จำปาเห็นท่าทางท่านเอาจริงเอาจัง หญิงนั้นก็ใจฟ่อยากจะเปลี่ยนใจแต่ก็อายคนอื่นจึงฝืนตอบไปว่าแล้วแต่หลวงพ่อจะเมตตาเถอดจ้ะไม้อะไรก็ได้แล้วแต่อาตมาไม่ได้สิก็อาตมาไม่ได้เป็นคนตายนี่นั้นลงจำปาก็ได้จ้ะสตรีวัยห้าสิบตอบเสียงเบาลงทุกทีเหงื่อการแตกซิกซิกเพราะกลัวตายเอาละสมใจมานี่ซิก ช่วยไปนิมนต์พระไว้สิบรูปสำหรับสวดมาติกาแล้วก็สั่งฐานที่ตลาดให้ห้ากระสอบท่านหันมามองหญิงนั้นและพูดว่าพร้อมๆ อ, อย่างโยมเนี่ยห้ากระสอบก็ไม่หมดไม่มีเหลือคนแบกทุกมีท่าทางลังเลพูดเสียง อ, อย่ อ, อยๆว่าหลวงพ่อฉันกลัวร้อนเอาฐานมาเผาฉันฉันก็ร้อนแย่น่ะสิอ้าวก็ในเมื่อโยมตายก็ต้องเผา จะให้ปล่อยเหม็นครุ่งอยู่ในวัดได้ยังไงนั่นฉันไม่ตายก็ได้นางถือโอกาสเปลี่ยนใจเอาให้แน่แน่จะตายหรือไม่ตายอัตมาจะได้จัดการได้ตามความประสงค์เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอัตมาทำอะไรไม่ถูกนะสิยิ่งนั้นคิดว่าท่านดุจึงร้องไห้โฮออกมารำเพึงรำพันว่าฉันกลุ่มใจจ้หลวงพ่อฉันอยากตายแต่ก็ไม่อยากตาย นางเพริําเพริ่ไรราพันทุกคนณที่นั้นพากันสมเพศเรื่องของคนอื่นดูช่างน่าสมเพศลงลืมไปว่าบางทีเรื่องของตัวเองนั้นน่าสมเพศจะยิ่งกว่า ให้ดีๆโยมหยุดร้องไห้เสียแล้วเล่าไปว่าโยมกลุ้มใจเรื่องอะไรถ้าเอาแต่ร้องไห้อยู่อย่างนั้นอาตมาจะรู้เรื่องได้ยังไงนั่นแหละนางจึงหยุดร้องไห้ใช้มือปาดน้าตาแล้วก็เช็ดมือกับพนุ่งจากนั้นก็เริ่มต้นเล่าถึงเหตุแห่งความทุกโศกต่างๆจับใจความได้ว่าสามีลักลอบได้เสียกับคนใช้ในบ้านเมื่อนางไล่คนใช้ออก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 เพื่อประหยัดเวลาแล้วเห็นนอก็รายงานว่าหกรายที่ประสบปัญหาเรื่องผัวมีเมียน้อยในหกรายมีอยู่สี่รายที่เมียน้อยเป็นคนใช้ส่วนปัญหาเรื่องเมียมีชู้ก็มีอยู่สองรายทั้งแปดรายนี้ก็สามารถใช้วิธีเดียวกันได้ในการแก้ปัญหาหลวงพ่อยังไม่ตอบหนูเลยว่าทําไมผู้ชายถึงชอบยุ่งกับพวกคนใช้สตรีวัยสามสิบ ทวงคำตอบเอออันนี้อาตมาไม่รู้จะตอบยังไงเพราะอาตมายังไม่เคยยุ่งกับคนใช้คำตอบของท่านเรียกเสียงหัวเราะจากทุกคนในที่นั้นรวมทั้งคนถามด้วยแต่หลวงพ่อน่าจะตอบได้เพราะหลวงพ่อเป็นผู้ชายคนถามไม่อยอมแพ้หนูตอบเองค่ะหนึ่งในสี่ที่สามีมีแม่น้อยเป็นคนใช้ขันอาสา สิ่งที่ตอบเป็นด้วยความอาฆาตแค้นเคืองเพราะคนพวกนี้รสนิยมต่ำชอบของต่ำชอบกินของหมินของเน่าหมินจิตใจสกปรกต่ำซามหล่อนหันไปทางพวกผู้ชายล้อมรั้วป้องกันตัวเองเสร็จสับด้วยการกล่าวว่าขอโทษบรรดาสุภาพบุรุษที่นั่งอยู่ในที่นี้ด้วยนะคะถ้าท่านไม่ได้เอาคนใช้ทำเมียก็อย่าได้ร้อนตัว มนุษย์เพศชายก็เลยต้องนั่งนิ่งทั้งที่ใจอยากจะฉีกเนื้อผู้หญิงปากกร้าคนนั้นหลวงพ่อคะสามีหนูชอบดูรูปโป๊สาววัยยี่สิบเศษถือโอกาสลัดคิวก็ทีคนอื่นๆยังทำได้เขาสะสมรูปโป๊ไว้ในลิ้นชักหัวเตียงเป็นรูปอุจจารามกทั้งนั้นดูไม่ได้เลยคะ่ะแล้วหนูไปดูทำไมละจ๊ะท่านถามยิ้มยิ้ม ก็มันเห็นนี่คะหลังแก้ตัวเขาวางให้หนูเห็นงั้นหรือไม่ใช่เขาอุตส่าห์ซ่อนไว้แล้วหนูไปค้นจนเจอนะสตรีนั้นยิ้มแย่แย่เพราะจริงดังที่ท่นว่าแบบนี้เป็นโรคจิตหรือเปล่าคะอายุมากแล้วยังสัปปะดนต่อหน้าคนอื่นทำเป็นอ่านหนังสือธรรมะสะสมหนังสือธรรมะไว้เต็มตู้แต่ฉากหลังแอบอ่านหนังสือโปะสะสมรูปโปะ แถมเอาไว้บนหัวเตียงอีกด้วยแบบนี้ต้องเป็นโรคจิตใช่ไหมคะหลวงพ่อก็ไม่รู้เหมือนกันรู้แต่ว่าหนูนะ่ะหึงแม้กระทั่งรูปโป้เสียงหัวเราะดังขึ้นอีกแต่หญิงสาวกลับทำหน้าบูดบึง้งหล่อนต้องการมาเอาคำตอบเรื่องนี้แต่ท่านพระครูกลับเห็นเป็นเรื่องตลกหญิงสาวแน่ใจว่าสามีต้องเป็นโรคกรามวิปริตหรือไม่ก็จิตวิปลาสจะอะไรก็แล้วแต่ หลอนได้เก็บภาพและหนังสือลาโมกล่าวนั้นเผาเป็นจุนไปแล้วไม่ต้องการเก็บไว้ให้เป็นอัปมงคลแก่ บ, บ้านเรือนเอาละฟังทางนี้วิธีแก้ปัญหาเรื่องสามีนอกใจหรือภรรยานอกใจนั้นไม่ยากอะไรเลยประเดี๋ยวอาตมาตจะบอกวิธีให้แต่ต้องทำให้ได้นะถ้าทาไม่ได้ก็แก้ปัญหาไม่ได้ต้องมีความอดทนมีความเพียรไม่ท้อถอยเคยมีคนผู้หญิงคนหนึ่ง มาขอให้อัตมาช่วยแบบเดียวกันเนี้ยอัตมาก็แนะแนวทางให้เขาก็ไม่ยอมทำตามก็เลยไม่สำเร็จแล้วคนที่ทำตามจะสำเร็จทุกคนไหมคะสำเร็จแน่นอนร้อยเปอร์เซนตอัตมาวิจัยมาแล้วน่าเสียดายที่คุณหญิงเขาไม่เชื่ออัตมาอุสาด้านด้นมหาพอบอกให้กลับไม่ทำตามสามีเขาเป็นรัฐมนตรี แต่ไปหลงรักคนใช้ถึงกับปลูกบ้านปลูกช่องให้อยู่คุณหญิงก็เอาแต่ดา่าสามีเลยไปอยู่กับคนใช้ซะเลยเวลาคนเขาจะมาติดต่อราชการเขาก็ไปหาที่บ้านคนใช้คุณหญิงก็โกรธใหญ่นี่มานั่งดา่าตรงนี้ท่านชี้ไปที่สตรีวัยห้าสิบนั่งอยู่ดา่าใครคะดา่ารัฐมนตรีกับคนใช้แล้วคนถูกดา่าเขาได้ยินไหมคะ จะได้ยินอะไรโน้นเขาอยู่กรุงเทพคนโน้นคนที่ได้ยินก็คืออาตมาแหมเขาด่าชดๆดใครไม่รู้นึกว่าด่าอาตมาท่านพูดแล้วโกรธเราะงั้นหลวงพ่อก็บอกวิธีแก้ปัญหาเถิคะ่ะหนูจะได้นำไปปฏิบัติสตรีวัยสามสิบเร่งเรา้าววิธีง่ายๆคืออย่าไปโกรธห้ามโกรธห้ามผูกพยาบาท แต่ให้แผ่เมตตาให้เขาทั้งสองคนขอให้เขาครองรักครองสุขอย่างราบรื่นอย่าไปด่าไปแช่งเป็นอันขาดโอ้ยหนูทำไม่ได้หรอกคะ่ะถ้าแช่งละพอทำได้คณอายุสามสิบวงขึ้นแช่งไม่ได้สิแช่งก็ไม่สำเร็จถ้าเราอยากให้เขากลับมาหาเราอยากให้เลิกกับทางโน้นเราต้องทำให้ได้มันอาจจะฝืนใจตอนแรกๆ แ, แต่พอทาไปก็ชิน เมื่อชินแล้วก็ไม่ต้องฝืนใจคนเขาทาสําเร็จมาเป็นสิบสิ บ, สบรายแล้วมีอาตมาบันทึกไว้หมดแล้วคนที่ไม่สําเร็จมีไหมคะก็อย่างที่บอกถ้าทำไม่ได้ก็ไม่สําเร็จอย่างเช่นคุณหญิงเป็นต้นถ้าทำได้รับรองสําเร็จทุกรายค่ะถ้าอย่างนั้นนิมนต์หลวงพ่อพูดต่อเลยค่ะก่อนแฉเมตตาก็ต้องไหว้พระสวดมนต์เก่อน ให้สวดพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณพาหุงมหากาอย่างรัจบหลังจากนั้นจึงสวดพุทธคุณอย่างเดียวสวดเท่าอายุบวกหนึ่งเช่นโยมอายุสามสิบก็สวดสามสิบเอ็ดรอบงั้นฉันก็ต้องสวดถึงห้าสิบเอ็ดรอบนะสิจะ๊ะสตรีวัยห้าสิบพูดขึ้นก็ไม่ยากอะไรนี่โยมใช้เวลาไม่เกินครึ่งชั่วโมงและนานไหมคะถึงจะได้ผล คนอายุสามสิบถามอีกเท่าที่อาตมาบันทึกไว้อย่างเร็วก็หนึ่งเดือนอย่างช้าก็สามเดือนขึ้นอยู่กับว่าใครมีสมาธิมากน้อยกว่ากันอย่างคนหนึ่งเข้ามาเล่าให้อาตมาฟังเขาบอกแรกๆเขาแผ่เมตตาไม่มได้มันแผ่ไม่ออกพอนึกว่าเขาทําให้ตัวเจ็บช้าแทนที่จะบอกให้เขาเป็นสุขเป็นสุขเถิดกลับไปแช่งเขาให้ประสบความพินาศจิบหาย แต่หลังๆเขาก็ทำได้รายนี้สามเดือนจึงสำเร็จเมื่อท่านบอกวิธีการแก้ปัญหาจบลงปรากฏว่ามีผู้กราบแล้วกลานออกไปแปดรายเป็นสตรีหกบุรุษสองหลวงพ่อครับแม่อินูหนีไปอีกแล้วครับเจ้าทุกรายที่สามเข้าร้องเรียนเป็นชายวัยกลางคนหน้าตาซุบจีบหมองคร้มพระบุเยียวซึงนั่งสังเกตการอยู่ รู้สึกสงสารท่านพระครูที่ต้องรับฟังเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้คนทุกชั้นวรรณะและปัญหาแต่ละคนก็มีต่างกันออกไปชนิดที่เรียกได้ว่าสารพันปัญหาหากเจ้าอาวาสปัดป่ามะม่วงก็ไม่ได้แสดงอาการท้อแท้เหนื่อยนายคงให้ความเมตตาช่วยเหลือและรับฟังปัญหาของพวกเขาอย่างตั้งอกตั้งใจทั้งบางปัญหาก็ดูไร้าสาระในสายตาของพระบัวเหียว หนีอีกแล้วเหรอโยมไปทำอะไรเขาละ่ะอันแกรงถามเห็นหนอรายงานว่าผู้ชายนี้เมาเหล้าแล้วอารวาดแตะเมียจนตกบ้านก่อนลงไม้ลงมือไปนิดหน่อยเองครับตอบไม่ตรงนักครั้นโกหกก็ไม่กล้า เพราะรู้ว่าท่านตรวจสอบได้เห็นเขาว่าท่านตาคิดเออขนาดเตะตกบ้านน่นนิดหน่อยหรือถ้ามีคนเข้ามาเตะโยมตกบ้านมานิดหน่อยหรือเปล่าล่ะผมผิดไปแล้วครับหลวงพ่อเขาก้มหน้าสารภาพโยมพูดอย่างนี้กี่ครั้งแล้วก่อนทำทำไมถึงไม่คิดวันก่อนก็เอาซ่อมเวี้งยงใส่หน้าเขาใช่ไหมล่ะ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 เขาไม่กลับแล้วถ้าโยมไม่เลิกเหล้าเขาไม่กลับแน่แต่ถ้าเลิกเหล้าได้อีกเดือนหนึ่งเขาจะกลับตั้งเดือนเฉลิกรับใช่แต่หมายความว่าโยมต้องเลิกเหล้าได้นะก็เลือกเอาก็แล้วกันว่าเล่ากับเมียจะเลือกใครบุรุษนั้นทําท่าลังเลใจนึงอยากเลิกเหล้าอีกใจอยากเลือกเมียเพราะขี้เกียจเลี้ยงลูกแต่ผู้เดียว มีลูกตั้งหคนยังเล็กๆทั้งนั้นคนหัวปีเพิ่งจะแปดขวบคนเล็กยังไม่เต็มขวบถ้าเมียไม่กลับเขาจะต้องตายเป็นแน่แท้ในที่สุดจึงบอกกับพระครูว่าหลวงพ่อครับผมจะเลิกเล่าผมเลี้ยงลูกคนเดียวไม่ไหวดีแล้วต้องมีสัจจะนะเสียสัจจะเมื่อไร่โยมต้องตายมีตัวอย่างมากมายโยมเคยได้ยินบ้างไหมละ่ะเคยครับ พิจารเพื่อนบ้านผมก็ตายมาแล้วหลวงพ่อจำได้ไหมครับจำได้สิก็คนนี้แหละที่บอกว่าจะเลิกเหล้าเลิกไปได้ปีเดียวก็กลับมากินอีกกินวันนั้นก็ตายวันนั้นเรื่องสัจจะนี่สำคัญมากจำเอาไว้นะครับหลวงพอ่อผมจะจำไปจนตายเลยผมกลาบลาละครับ สุดากรานต้มตาต้มตุ้ยเข้ามามาหาท่านพระครูตามด้วยเท่าแก่เสงและคุณกิมเงาะผู้เป็นปิดาและมารดาคนทั้งสามก้มลงกราบท่านสามครั้งแล้วหันไปกราบพระปุวยเียวซึ่งนั่งประเพียบอยู่บนพื้นเบื้องขวาของพระอุปชาผมเห็นจะต้องกราบกุเตะละครับแล้วหลวงพ่อมีแขกพระนมออกตัวใจนั้นอยาก ฟังเขาคุยกันหากก็เกรงจะเสียมารยาทยู่กรนได้นีนาจะรีบไปไหนล่ะเจ้าของกุฏิพูดอย่างรู้ใจหันไปถามอคันตุกะว่าคงไม่ใช่เรื่องลับใช่ไหมพระ บ, บัวเหี่ยวคงร่วมฟังได้นะไม่รับค่าหลวงพ่อหนูอยากให้คนมาฟังเยอะๆด้วยซ้าจะได้ช่วยกันเป็นพยานคุณนายดุนสุดา ต, ตอบงั้นรึอ แล้วจะให้เกณฑ์คนมาหมดวัดเลยไหมคุณนายจะเอาอย่างนั้นไหมท่านถามยิ้มยิ้มไม่ต้องถึงขนาดนั้นก็ได้ค่ะหลวงพ่อแล้เดี๋ยวนูเขินก็เลยเล่าไม่ออกกันพอดีคนน้ำหนักเกินพิกัดตอบอ๋อถ้าอย่างนั้นก็เล่าได้เลยรู้สึกพระโวเฮียวอยากจะฟังจนเนื้อเต้นแล้วละมัง้งท่านย้าลูกศิษย์หลวงพ่อนั่นแหละเนื้อเต้นอย่ามาทําโทษผมหน่อยเลยนาคนเป็นศิษย์แอบเถียงในใจ เตียเล่าดีกว่านะคนจะเล่าเปลี่ยนกระทันหันจึงโยนกลองไปที่บิดาหรือเล่านั่นแหละดีแล้วก็รื้อเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดไม่ใช่หรืเท่าแก่สิงให้เหตุผลตั้งแต่ปฏิบัติกรรมฐานเขาพูดไทยชัดขึ้นเพราะสติบอกว่าเมื่อเป็นคนไทยก็ต้องพูดไทยชัดจะได้ไม่อายคุณกิมงาะนั่นสิแม่ก็เห็นด้วยกับเตีย ลูกเล่านั่นแหละดีแล้วผู้เป็นมารดาเสริมแม่แล้วก็เข้าข้างเตียอยู่เรื่อยคนเป็นลูกตัดเพาะเรื่องที่จะเล่านียาวไหมถ้าเป็นเรื่องยาวอาตมาขอแนะนําว่าน่าจะเริ่มได้แล้วจะได้ไม่ต้องรอไปฟังต่อในวันพรุ่งนี้อาตมาเป็นคนใจร้อนน่โยมพระบุญเหวี่ยวพูดขึ้นท่านคิดอยู่นานว่าจะพูดดีหรือไม่แต่ในที่สุดก็ตัดสินใจได้ แหมหลวงพี่พูดอย่างนี้ดิฉันก็เห็นจะต้องเล่าแล้วล่ะค่ะคุณนายดวงสุดาพูดกับพระบัวเหี่ยวเรียกท่านว่าหลวงพี่อย่างไม่เต็มใจนะักไม่เต็มใจด้วยเหตุผลที่ว่าท่านอายุอ่อนกว่าที่ถูกน่าจะเป็นหลวงน้องหล่อนไม่เข้าใจว่าเหตุใดเขาจึงไม่เรียกพระที่มีอายุอ่อนกว่าว่าหลวงน้องคงไม่ต้องออกแขกแบบเล่เกนนะท่านพระครูยาวบ้าง ไม่ต้องค่ะเตียเล่าดีกว่านาหลันหันไปเกี่ยงงอนบิดาอีกครั้งลื้อนันแหละอย่าโม่ทำอิดอิดอดออดน่ารําคาญเกรงใจหลวงพ่อท่านเวลาท่านเป็นเงินเป็นทองเท่าแก่เสงดุลูกสาวการปฏิบัติกรรมฐานทําให้เกิดปัญญาเมื่อปัญญาเกิดเขาจึงรู้ว่าคนเป็นพ่อไม่ควครกลัวลูกจึงกล้าดุหล่อน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 แล้วรู้ตัวหรือเปล่าว่าโจรมาท่านพระครูซักรู้ครับหลวงพ่อผมรู้ตลอดเวลาคุณเก็มง้อก็รู้แล้วกลัวไหมกลัวตายหรือเปล่าไม่กลัวคะ่ะตอนอยู่ในสมาธิไม่กลัวแต่ตอนนี้กลัวคะ่ะคุณเกียง้อตอบด้วยท่าทีที่ยังไม่หายว่าเสียวแล้วคุณนายอยู่ที่ไหนล่ะตอนนั้นตอนที่โจรมาปลนะ้นน่ะท่านพระครูถามคุณนายดวงสุดา หนูหรอคะอารามตกใจก็มุดเข้าไปแอบใต้ตังเลยคะ่ะไม่ทราบว่าเข้าไปได้ยังไงตัวหนูออกใหญ่ตังก็เตี้ยนิดเดียวถ้าเวลาปกติอย่าว่าแต่จะเข้าไปทั้งตัวเลยแค่ขาข้างเดียวก็ยังเข้าไม่ได้คุณนายดวงสุดาเล่าพระบุญเฮียวพิจารณาขาของคุณนายซึ่งมีขนาดไล่เลีย ก, กับต่อม้อ ย, ยุ้งแล้วก็เห็นด้วยกับที่หล่อนพูด หากก็อดถามขึ้นไม่ได้ว่าตังที่โยมว่าน่ะสูงขนาดไหนเท่าอาสนะหลวงพ่อหรือเปล่าคนถูกถามมองไปที่อาสนะตรงหน้าและตอบคงจะพอๆพกันถ้าสูงกว่าคงไม่เกินสองนิ้วไม่น่าเชื่อใช่ไหมคะว่าคนเจ้าเนื้ออย่างดีฉันจะเข้าไปซ่อนอยู่ใต้ตังนั้นได้หลวงพี่เชื่อหรือเปล่า หล่อนถามหลวงพี่ถ้าจะให้อัตมาเชื่อก็ต้องลองเข้าไปอีกทีคุณนายจะยอมลองดูไม่ล่ะพระนมถือโอกาสต่อรอง